การที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับได้พบกับทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากกว่าสมบัติของเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก เพราะพระพุทธศาสนานั้นจะให้สิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับจิตใจของพวกเราได้นั่นก็คือให้การหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิด กองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่ก็จะยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของตนได้หลุดออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถทําให้จิตใจของพวกเราได้หลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้จิตใจของพวกเราทุกคน ยังติดอยู่ในวัฏสงสารคือติดอยู่ในใจพบวัฏสงสารนี้คือที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่มีพบอยู่สามพบด้วยกันพบที่หนึ่งเรียกว่าการมาพบพบที่สองเรียกว่ารูปพบ พบที่สามเรียกว่าอรูปภพนี่คือพบที่จิตใจของพวกเราติดกันอยู่เป็นพบที่เจริญแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับเวลาเกิดก็เป็นสุขเวลาดับก็เป็นทุกข์ จิตใจของพวกเรายังถูกความทุกข์ครอบงำอยู่ไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนก็ตามเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปไปเกิดบนสวรรค์เดี๋ยวก็ต้องตายจากสวรรค์ลงมามาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเรายังติดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากภพต่างๆเหล่านี้ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักทางที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง การที่เราจะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องมีคนรู้จักทางพาเราไปเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปถ้าไม่มีคนนำทางเราก็จะหลงทางกันจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปกันได้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนผู้นำทางเป็นผู้นำพาจิตใจของพวกเราให้ออกจากตายภพออกจากกามาพบออกจากรูปภพออกจากอารูปภพถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานก็จะ ติดอยู่ในใจพบที้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่จะสามารถพาให้สัตว์โลกทั้งหลายให้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความสำคัญหรือความวิเศษของพระพุทธศาสนา ที่พวกเราโชคดีได้มาเกิดได้มาพบบางคนมาเกิดแล้วแต่ก็ไม่ได้พบก็มีเช่นไปเกิดในประเทศอื่นก็ไปพบกับาศาสนาอื่นาศาสนาอื่นนั้นก็ไม่รู้จากทางที่จะพาให้สัตว์โลกออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ พวกเราจึงถือว่ามีโชคมหาศาลที่ได้มาเกิดอยู่ในเมืองพุทธมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นศาสนาที่จะสอนให้เราออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การที่เราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราจำเป็นที่จะต้องอปฏิบัติ<ม>ตามเงื่อนไขของพระพุทธศาสนา<ม>เหมือนกับเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะไปขึ้นรางวัลเราก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สนักงานสลากกินแบ่งเช่นเขาก็ต้องบอกให้เราเอาหลักฐานต่างๆไปยืนยันว่าเราเป็นใครและลอตเตอรี่ที่เราถูกนี่เป็นของเราเราเขาถึงจะให้เงินรางวัลเราทันใดพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันถึงมาจะได้มาเกิดเป็นชาวพุทธ แต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพียงแต่ได้พบเพียงแต่ได้นับถือพระพุทธศาสนานั้นยังยังไม่ได้ทำให้เราสามารถรับผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาได้การที่เราจะได้รับประโยชน์ จากพระพุทธศาสนาคือได้รับการดูดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระพุทธศาสนาที่มีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สอง หลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนี่คือเงื่อนไขข้อที่สองคือปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดของการหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นการที่เราถือว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนานั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการที่จะมารับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเราก็อาจจะไปนับถือศาสนาอื่นก็ได้หรืออาจจะไม่นับถือศาสนาใดก็ได้คนสมัยนี้ มีการศึกษาทางโลกกันมากมีวิชาต่างๆที่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษาวิชาต่างๆทา ง, ทางโลกก็เลยอาจจะไม่เห็นความสำคัญของวิชาทางพระพุทธศาสนาก็ได้ ว่าวิชาทางพระพุทธศาสนานี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแต่วิชาทางโลกนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของทางร่างกายคือวิชาต่างๆทางโลกนี้จะสอนให้ผู้ศึกษามีความรู้ที่จะเอาไปทำ ม, มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้พอมีวิชาความรู้มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายได้ก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของาศาสนาก็ได้พอเมื่อมออีรายได้ที่จะสามารถ มาให้ความสุขกับร่างกายและจิตใจได้ก็เลยไม่เห็นความสําคัญของศาสนาก็ได้ถึงแม้จะมาเกิดในประเทศไทยที่มีพระพุทธศา ส, ศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้น ทำประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างไรบ้างเมื่อเห็นว่าความรู้ทีได้เรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วพอเรียนจบก็สามารถออกไปทำมาหากินได้เงินทองมาเป็นจำนวนมากมายก็เลยคิดว่าเท่านี้ก็ พอแล้วจะไปต้องไปเรียนอะไรอีกเพราะเมื่อมีเงินมีทองก็สามารถซื้อความสุขทุกอย่างได้อยากจะได้อะไรก็ซื้อได้อยากจะต้องการไปที่ไหนก็สามารถไปได้สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นความสําคัญ ของศาสนาว่าจะมาทำประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างไรคนส่วนใหญ่คนส่วนมากที่เกิดในเมืองไทยกับไม่นับถือศาสนาพูดกันหรือถ้านับถือก็นับถือแบบทะเบียนบ้านคือเมื่อมาเกิดในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็นับถือตามไปแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาเงื่อนไขของศาสนาจึงไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจะมาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็อาจจะสายเกินไป เช็นมาเห็นตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่จะตายเพราะตอนนั้นเงินทองที่มีอยู่มากมายไก่กองก็ไม่สามารถมาซื้อความสุขให้กับใจได้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ให้กับใจได้เพราะตอนนั้นร่างกายไม่อยู่ในฐานะที่จะ ไปหาความสุขต่างๆได้เหมือนตอนที่ยังไม่แก่ตอนที่ยังไม่เจ็บตอนที่ยังไม่ตายคนเราจะลืมกันตรงนี้ลืมว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาและไม่รู้เสียด้วยซ้าว่า หลังจากที่ตายไปแล้วนั้นยังจะต้องไปเกิดต่ออยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกและจะไปเกิดดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรนี่คือเรื่องที่ถ้าเราไม่คิดกัน เราก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าของศาสนาเพราะตอนที่เรายังมีกำลังวังชามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสามารถที่จะหาไรายได้เพื่อที่จะเอามาหาความสุขต่างๆเราก็เลยอาจจะไม่เห็นความ ส, สำคัญของศาสนา ก็จะไม่สนใจที่จะเข้าศึกษาและปฏิบัติจากพระพุทธศาสนาถึงแม้จะอยู่กับศาสนาก็เหมือนกับทับพีในหม้อแกงทับพีในหม้อแกงถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกงเป็นเวลายาวนานเพียงไรก็ตาม ทัพพีจะไม่รู้ว่าแกงที่ทัพพีอยู่ในนั้นเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดแกงจืดหรือแกงหวาน เ, าเพราะทัพพีไม่มีความสามารถที่จะรู้รสของแกงได้ถ้านับถือศาสนาพุทธแบบทัพพีในหม้อแกงก็จะไม่ได้รับประโยชน์อนนำค่าของพระพุทธศาสนา ประโยชน์อันนับค่าของพระพุทธศาสนาก็คือการมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วความทุกข์ของเรานีหมันมีอยู่กับจิตใจของพวกเราตลอดเวลาแต่การดับความทุกข์ของเรานั้น เป็นการดับความทุกข์แบบเสริมสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เป็นการดับความทุกข์เพื่อให้ความทุกข์นั้นน้อยลงหรือหมดไปเช่นดับไฟด้วยการเทน้ำมันลงไปในกองไฟเวลาเราเทน้ำมันลงไปในกองไฟเพื่อจะดับไฟน้ำมันตอนที่เทลงไปใหม่ๆมันยังไม่ร้อน มันก็ทำท่าเหมือนจะทำให้ไฟดับแต่พอน้ำมันเริ่มมีความร้อนขึ้นไฟก็จะปะทุ ข, ขึ้นมาใหม่แรงกว่าเก่าแรงกว่าตอนที่เราไม่ได้เทน้ามันลงไปในกองไฟเพราะเราไม่รู้จักวิธีดับไฟนั่นเองวิธีดับไฟเราต้องเทน้ำลงไปในกองไฟไม่ใช่เทน้ำมัน น้ำมันเบนซิน น, น้ำมันที่เราใช้กับรถยนต์เนี่ยถ้าเวลาเทไปใหม่ๆน้ำมันมันเย็นมันก็เหมือนน้ำมันก็ทำให้ไฟที่กำลังลุกอยู่นั้นเบาลงไปแต่ไม่ถึงกับดับไปแล้วพอตัวน้ำมันได้รับความร้อนจากไฟทีนี้น้ำมันมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงขึ้นมา ทำให้ไฟที่ทําท่าจะดับนั้นกลับลุกโหมขึ้นมาใหม่แรงกว่าเก่าไม่เหมือนกับการเทน้าลงไปในกองไฟถ้าเทน้าลงไปในกองไฟไฟก็จะเริ่มดับลงไปตามลำดับถ้าเราฉีดน้าเทน้าเข้าไปในกองไฟอยู่เรื่อยๆไม่ให้หยุดเดี๋ยวไม่นานไฟนั้นก็จะต้องดับไปเพราะสิ่งที่จะดับ ไฟได้ก็คือน้ำนี่เองไม่ใช่น้ำมันฉันใดวิธีดับความทุกข์ของพวกเราดีก็เราแทนที่จะใช้น้ำดับกันเรากลับใช้น้ำมันดับกันเช่นเวลาเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ใช้เงินนี่แหละเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจให้กับเราไปเที่ยวกัน ไปซื้อของอะไรกันไปดูไปฟังไปรับประทานไปดื่มอะไรกันพอเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็บรรเทาลงไปแต่ไม่หายไปหมดหายไปชั่วคราวความสุขที่เราได้จากการใช้เงินทองไปทำอะไรต่างๆ มันก็ทำให้ใจของเรามีความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขชั่วคราวไม่นานความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปซื้อของจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรมันก็จะจางหายไปพอมันจางหายไปความทุกข์เก่าที่มีอยู่มันก็หวนกลับเืินขึ้นมาใหม่ ต่อให้เราใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆมากรบความทุกข์ที่เรามีอยู่ก็จะกรบได้ชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์เก่ามันก็จะผุดขึ้นมาใหม่แล้วมันจะมีมากขึ้นไปตอนที่เราแก่ตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่เราจะตายนี่ เราจะไม่สามารถพึ่งเงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้เลยตอนนั้นใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นการสิ้นสุดของความทุกข์ความทุกข์นี้มันอยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ในใจก็ยังมีอยู่ความทุกข์ก้อนนี้ก็เลยเป็นตัวที่พาให้เราต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่กันและช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ช่วงนั้นเราก็ยังต้องไปรับ ผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้อีกอตอนที่เราตายจากภพของมนุษย์ไปนี้ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราอาจจะต้องไปเกิดในภพอื่นก่อนเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อาจจะทำบุญบ้างทำบาปบ้าง การทำบุญก็จะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เช่นภพของเทวดาของพรหมถ้าทำบาปบาปก็จะส่งให้เราไปเกิดในภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือภพของเดชะฉานภพของเปรตภพของอสุรกาย ภพของนรกนี่คือภพต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเพราะมันเป็นโลกทิพย์จะเห็นได้ต้องเห็นด้วยตาในคือจะต้องเห็นด้วยใจใจจะเห็นโลกทิพย์ได้ใจจะต้องอปิดประตูปิดตานอกก่อน คือปิดตาร่างกายเช่นพวกที่นั่งสมาธินี่พวกนี้เป็นพวกที่ปิดตานอกคือปิดตาร่างกายเพื่อที่จะได้เห็นอโลกภายในเห็นโล ก, อ, กอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกทิพย์ที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกาย <c oughs> เหมือนเราไปดูภาพยนตร์นี่เวลาเราไปดูภาพยนตร์นี่ เราต้องปิดไฟก่อนเราถึงจะเห็นภาพยนตร์ถ้าเปิดไฟนี้ภาพยนตร์ที่ฉายบนจอก็จะเห็นไม่ชัดเน้นเวลาก็ลงภาพยนตร์นี้เขาจะต้องปิดไฟให้มืดเพื่อจะได้เห็นภาพยนตร์ที่ปรากฏอยู่บนจอได้อย่างชัดเจนฉันใดพบต่างๆที่ไม่ใช่ที่ไม่มีร่างกายอย่างพบของมนุษย์ พบของเดลอาฉานนี้จำเป็นจะต้องใช้ตาในคือใจใจจะเห็นพบภายในได้ใจต้องปิดตานอกก่อนต้องปิดตาทางร่างกายไม่รับรูปต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายเมื่อปิดรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางร่างกายแล้ว ก็เหมือนปิดไฟในโรงภาพยนตร์พอปิดไฟในโรงภาพยนตร์ก็จะเห็นจอภาพยนตร์เห็นภาพยนตร์ที่ฉายอยู่บนจอผู้ที่ฝึกสมาธิผู้ที่ทำจิตให้สงบได้นี่เขาไม่สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขารู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจกับร่างกายนี่เป็นคนละคนกัน เพียงแต่มาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันเป็นเหมือนกับสามีภรรยา uh huh. ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว uh huh. ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆ uh huh. และการกระทาของใจนี่แหละที่เป็นบุญและเป็นบาป uh huh. เวลาที่เราขาดเงินขาดทองแล้วเราต้องการใช้เงินทอง บางทีเราก็จะต้องไปทำบาปเพื่อให้เราได้เงินทองมาใช้กันเช่นไปรักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่เราจะได้เงินทองมาใช้กับสิ่งที่เราอยากจะซื้ออยากจะได้ตอนนั้นเราก็กำลังทำบาปกันกำลังสร้างภพที่ไม่ดีกัน พบไม่ดีก็คือพบของเปรตพบของเดรัจฉานพบของอสุรกายพบของนรกนะบางเวลาเราก็มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มากกว่าที่เราจะใช้เองได้เราก็แบ่งให้กับคนอื่นใช้เช่นทำบุญทำทานให้ขอทานมีองค์กรสาธารณะกุศลมาขอบริจาค เราก็ร่วมบรยจากช่วยสร้างโรงเรียนช่วยสร้างโรงพยาบาลหรือเห็นใครเดือดร้อนสงสารก็ช่วยเหลือเขาไปตอนนั้นเราก็ได้มีโอกาสทำบุญกันบุญนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราได้ไปเกิดในโลกทิที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ ก็คือโลกของเทวดาเทวดาชั้นต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฝึกจิตไม่มาฝึกสมาธิกันถ้าเราไม่ปิดตานอกตาในจะมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจะไม่เห็นพบต่างๆที่ไม่มีร่างกาย พบของเทวดานี้ไม่มีร่างกายพบของเปรตไม่มีร่างกายพบของอสุรกายไม่มีร่างกายพบของนรกนี้ไม่มีร่างกายแต่มีอยู่ในใจเราสามารถเห็นมันได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะเป็นไปต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้ว หลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายเราไม่มีใจของเราก็จะไปเป็นอะไรต่างๆตามบุญและตามบาปที่เราได้ทำเอาไว้แล้วก็รอไปจนกวา่าเราจะได้รับร่างกายอันใหม่พอเราได้รับร่างกายอันใหม่เราก็มาเกิดใหม่เหมือนกับภพบนี้ชาตินี้ที่เรามาเกิดใหม่ พอเราเกิดใหม่เราก็มาเริ่มต้นใหม่อพบก่อนเราเคยมีสมบัติมีฐานะอย่างไรก็ไม่สามารถเอาติดตัวมากับเราได้ชาติก่อนอาจจะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอแต่ชาตินี้อาจจะมาเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้หรือชาติก่อนอาจจะเป็นคนธรรมดาสามัญชาตินี้ได้มาเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ อันนี้ไม่มีใครที่จะไปรู้ได้ไปกําหนดได้สิ่งที่จะกําหนดได้ส่วนหนึ่งก็บุญและบาปที่เราทานี่บุญและบาปนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะส่งให้เราเวลากลับมาเกิดใหม่ให้เรากลับมาเกิดดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าแย่กว่าเก่า ทำไมคนเราจึงมาเกิดไม่เท่ากันก็เพราะว่าเราทําบุญทําบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองเมื่อทําบุญทำบาปไม่เท่ากันเวลาเกิดจะมาเกิดเหมือนกันเท่ากันได้อย่างไรแม้เป็นพี่น้องจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ยังมีฐานะไม่เหมือนกันมีความรู้ความสามารถมีอะไรต่างๆไม่เหมือนกัน พอจิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่นั่นเองจิตใจนี้ก็มาจากชาติก่อนชาติก่อนตอนที่เป็นมนุษย์ก็อาจจะทําบุญทำบาปทําดีทําชั่วทำอะไรที่เป็นประโยชน์หรือทำอะไรที่เป็นโทษของพวกนี้มันจะติดอยู่ในใจถ้าชาติก่อนเป็นคนขยนันนั่มเรียนหนังสือรู้จักคิด ก็จะเป็นคนฉลาดมาเกิดชาตินี้ก็จะเป็นคนฉลาดถ้าชาติก่อนโง่เขลาเบาปัญญาไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบไปโรงเรียนชอบเที่ยวชอบเล่นเวลามาเกิดในชาตินี้ก็จะเป็นอย่างนั้นต่ออะไรที่เป็นนิสัยนี้มันจะติดมากับใจแต่อะไรที่มันได้มาผ่านทางร่างกายนี้มันไม่ติดมาด้วย การทำงานทำการหาเงินหาทองได้เป็นมหาเศรษฐีเงินทองนี้ไม่สามารถเอาติดตัวมาได้เอาติดมาได้ก็คือนิสัยถ้าเป็นนิสัยขยันหาเงินหาทองขยันเก็บเงินเก็บทองพอชาตินี้มาเกิดได้ร่างกายอันใหม่ก็จะมีนิสัยเหมือนเดิมก็เคยจะขยันหาเงินหาทอง ขยันเก็บเงินเก็บทองอก็จะกลับมาเป็นเศรษฐีได้ใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาเราจะคิดกันว่าเมื่อเราตายไปแล้วร่างกายเราตายไปแล้วเราก็ต้อง ตายไปกับร่างกายเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายนั่นเองเมื่อร่างกายตายไปเราก็จบเราก็ตายไปกับร่างกายเมื่อเป็นเช่นนั้นบุญหรือบาปที่เราทําก็ไม่มีผลต่อเราและเราไม่คิดว่าเราจะกลับมาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของความรู้ เกี่ยวกับตัวเราที่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้รู้พุทธนี้แปลว่าผู้รู้ผู้รู้ความจริงของจิตใจเรียกว่าพุทธไม่มีใครจะรู้เรื่องความจริงของจิตใจของพวกเราดีเท่ากับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี้รู้เรื่องของจิตใจของพวกเราในทุกแง่ทุกมุมเรื่องของความสุขความทุกข์ของจิตใจก็รู้ว่าจิตใจของเราสุขเพราะอะไรทุกทุกเพราะอะไรเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดอยู่ในภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดีก็รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ไปเกิดในภพที่ดีหรือไม่ดี แล้วก็รู้ว่าทำไมเราจึงยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยเรื่อยรู้เหตุที่ทาให้พาให้พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บกันตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกันชาตินี้เราตายไปถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไปเกิดต่อ เราก็จะไปรับผลบุญผลบาปของเราต่อแล้วพอเราได้รับร่างกายอันใหม่เราก็จะกลับมาทำอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้กลับมาหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆอยากได้อะไรก็ซื้อมาแล้วก็มาทุกข์ตอนที่เราจะต้องแก่ตอนที่เราจะต้องเจ็บตอนที่เราจะต้องตาย แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านถึงเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาอย่างจริงจังคือไม่ใช่สักแต่ว่าศรัทธาเชื่อเฉยๆคือเห็นพระ ถูกสอนให้กาบก็กราบถูกสอนให้ทําบุญก็ทําบุญแต่ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรทําแล้วจะได้อะไรเมื่อถูกสอนให้ทําก็ทําทําตามอาทําตามโอกาสไม่ได้ทําตามหน้าที่โอกาสก็คือว่าวันไหนมีวันสําคัญเช่นวันสําคัญทางาศาสนาก็ทําบุญกันะ หรือวันสำคัญของตนเช่นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานหรือวันตายของบุพการีของผู้ที่มีพระคุณก็ทำกบุกันสักครั้งหนึ่งทำแบบนี้นั้นยังไม่ยังไม่ได้รับประโยชน์มากได้รับเพียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนส่วนต่ำประโยชน์ส่วนสูงนี่ ประโยชน์สูงสุดนี้จะยังไม่ได้รับชาวพุทธส่วนใหญ่นี้จะไม่ได้รับประโยชน์ที่สูงสุดกันเพราะเพียงแต่ทาพอหอมปากหอมคอท่นั้นเองผู้ที่จะได้รับประโยชน์ที่สูงสุดนั้นจะต้องทำแบบเต็มที่ทำบาปเต็มร้อยถึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งก็มีแต่พวกนักบวชเท่านั้นที่ทาที่จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากพระพุทธศาสนาคือได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เราจะต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้า สอนให้เราทำอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องทำให้อย่างเต็มที่เมื่อเราทำอย่างเต็มที่ท่านถึงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโน <c oughs> ถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนอย่างเต็มที่ก็เรียนอย่างเต็มที่ เ, เ, ทเวลาสอบก็จะได้คะแนนสูงสุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สี่จุด แต่ถ้าเรียนแบบพอหอมปากหอมคอก็จะได้สองจุดบ้างหนึ่งจุดบ้างเพราะว่าไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการเริ่มเรียนฉันใดประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเราอย่างเต็มที่ผู้ที่ทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ก็คือบรรดานักบวชต่างๆเช่นหลวงปู่หลวงตาที่เราอาจจะเคยได้ยินกิจศัพท์ได้ยินชื่อเสียงของท่านท่านตายไปแล้วกระดกของท่านกลายเป็นพระธาตุเนี่นี่แหละคือผลประโยชน์อันสูงสุดคือได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากตายภพไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไป นี่แหละเป็นประโยชน์อันสูงสุดที่จะให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาเต็มร้อยแล้วก็ศึกษาเต็มร้อยปฏิบัติเต็มร้อยคือถ้าเปรียบเทียบก็เป็นแบบมืออาชีพนะักกีฬานี้มีสองแบบแบบสมัครเล่นกับแบบมืออาชีพ แบบสมัครเล่นก็ทำพอหอมปากหอมคอเป็นการพักผ่อนหย่อนใจวันหยุดทำงานก็ไปเล่นกีฬากันออกกำลังกายแตะไม่ได้หวังไปแข่งขันชิงรางวัลแต่อย่างใดพอจะไปแข่งขันชิงรางวัลก็จะสู้พวกมืออาชีพเขาไม่ได้พวกมืออาชีพนี้เขาไม่มีอาชีพอื่นอาชีพของเขาอยู่ที่การเล่นกีฬาเพยงอย่างเดียว เขาก็จะใช้การเล่นกีฬานี้เป็นอาชีพแล้วเขาก็ใช้การแข่งขันเพื่อรับรางวัลเป็นรายได้แต่พวกมือสมัครเล่นนี้ไม่ได้หวัง ไ, ได้รับรางวี่รางวัลอะไรชาวพุทธเหล่านี้ก็จะมีอยู่สองแบบแบบมือสมัครเล่นกับมืออาชีพมือสมัครเล่นก็ทำพอหอมปากหอมคอทำพอ พอมีเวลาเวลาว่างก็ทำเวลาไม่ว่างเวลาต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเวลาจะไปเที่ยวไปหาความสุขอะไรต่างๆก็ไม่ได้ทำกันประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็เลยไม่เกิดกันโอกาสที่จะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะไม่ได้กัน ได้อย่างมากก็อาจจะได้ไปสวรรค์กันหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญตายไปก็ยังต้องไปเกิดในอบายแล้วออกจากอบายกลับมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วก็ตายกันไปใหม่ต่อไป ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปจำเป็นจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทั้งหมดให้แก่การศึกษาให้แก่การปฏิบัติก็คือการไปบวชนั่นเองการไปบวชนี้แหละเป็นการที่จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาผู้ที่บวชนี้เป็น เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันเป็นส่วนใหญ่น้อยคนที่ไม่ได้บวชที่สามารถได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์กันมีบ้างแต่ไม่มากพวกที่ไม่ต้องบวชก็เพราะว่าในอดีตเขาเคยบวชมาแล้วพอเขาได้มาสัมผัสมารับรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาสามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องบวช เมื่อเขาปฏิบัติเขาก็บรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยอันนี้ก็มีบ้างแต่มีไม่มากเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เป็นนักบวชส่วนใหญ่พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้เป็นนักบวชทั้งนั้นเพราะการที่จะหลุดพ้นได้นี้จำเป็นที่จะต้องอทาแบบมืออาชีพ ถ้าทำแบบมือสมัครเล่นนี้จะไม่ได้ได้ก็เพงรางวัลรางวัลชดเชยรางวัลให้กำลังใจคือได้ไปสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในอบายกันถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปถ้าเราหมั่นพยายามรักษาศีลห้าแล้วก็พยายามทำบุญอยู่เรื่อย มีโอกาสมีเวลาก็ทำไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปตายไปใจของเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพนอกจากการทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วเราก็ยังจะต้องฝึกนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันเพราะการทำใจให้สงบนี้ จะทําให้ใจนี้ขึ้นไปสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพอันนี้ก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นซึ่งก็เป็นการยากมากเพราะว่ามันขัด ก, ออก่ตอต่อนิสัยของบุคคลทั่วไปปุตุชนทั่วไปนี้จะ ไม่ชอบนั่งเฉยๆไม่ชอบนั่งไม่ชอบนั่งสมาธิกันชอบนั่งดูภาพยนตร์ชอบดูละครกันชอบดูการร้องลัมทำเพลงชอบดูกีฬาชอบดูอะไรต่างๆพอให้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่ให้ดูไม่ฟังอะไรก็จะรู้สึกเหมือนกับไม่มีลมหายใจขาดลมหายใจนั่งแล้วจะรู้สึกอึอดอัด นั่งแล้วจะรู้สึกเครียดจนไม่สามารถที่จะนั่งได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะฝึกนั่งสมาธิจริงๆถ้าได้ศึกษาก็จะรู้วิธีว่าทําอย่างไรจะทําให้นั่งได้นานๆวิธีจะทําให้นั่งได้นานๆเบื้องต้นจะต้องฝึกสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน ถ้าจะเริ่มต้นนั่งสมาธิโดยไม่ได้ฝึกสติเลยจะนั่งไม่ได้นั่งได้ไม่ได้นานนั่งได้ห้านาทีก็อยากจะเลิกแล้วเพราะนั่งแล้วมันรู้สึกลำคาญใจมากกว่ามีความสุขใจนั่นเองเพราะว่าไม่มีอะไรมาคอยยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆของใจที่จะคิดปรุงแต่งไปหาสิ่งต่างๆที่เคย หาคือหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสพอมานั่งเฉยๆไม่สามารถไปหารูปเสียงกลิ่นรสได้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ขาดลมหายใจลมหายใจของจิตใจคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะพอจะมาหยุดการหายใจก็ทำให้เรยรู้สึกเปิดอัดขึ้นมา วิธีที่จะทำให้ไม่อึดอัดขึ้นมาก็คือต้องฝึกสติให้มากก่อนสตินี้จะเป็นผู้ที่จะมายับยั้งความคิดปรุงแต่งที่จะไปคิดหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆออพอไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ความอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปออแล้วก็จะ เกิดความรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสก็อยู่ได้อยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆแบบที่เคยสัมผัสมาก่อ น, น, นผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะทำใจให้สงบอยากจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ จำเป็นจะต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้เมื่อไม่คิดอะไรความอยากก็จะหายไปความอยากนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ใจเรางดจิตทำให้ใจเรารู้สึกกว่าเว่เศร้าซ้อยง่อยเหงาเช่นเวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวต้องอยู่บ้านคนเดียว จะรู้สึกเหงาววาเหวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ควบคุมความอยากได้ความเหงาความเศร้าส้อยวาเหวจะหายไปความสงบความสุขจะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราต้องการมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรา ได้ผ่านทางร่างกายเราก็ต้องมาฝึกสติกันเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายก็ยังสามารถมีความสุขได้มีความสุขผ่านทางสติผ่านทางสมาธิทำใจให้สงบความสุขนี้จึงดีกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ ความสุขที่พวกเราหากันตอนนี้ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ต้องมีเงินทองถึงจะสามารถไปหาความสุขต่างๆได้มีร่างกายแข็งแรงแต่ไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้ออะไรไม่ได้ไปดูไปฟังอะไรไม่ได้จาเป็นจะต้องมีทั้งเงินทองมีทั้งร่างกาย คือมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สมบูรณ์ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีถ้าเกิดตาหนวกตาบอดขึ้นมานี่จะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีหรือเกิดหูหนวกขึ้นมาไม่สามารถได้ยินเสียงการจะหาความสุขทางเสียงก็หมดไปแต่ความสุขที่เรามาฝึกการเจริญสติมานั่งสมาธินี้ เป็นความสุขที่เราไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองขอให้เรามีเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเท่านั้นเราต้องมีเวลาเราต้องหยุดกิจกรรมอย่างอื่นกิจกรรมที่เราเคยทำเคยหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายเช่นดูภาพยนตร์ดูละครร้องราทาเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไปรับประทานไปเื่มอะไรต่างๆเราต้องละ ง, งับกิจกรรมเหล่านี้ลงไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญสติมาฝึกสมาธิกันเราต้องไปหาที่ที่สงบที่ห่างไกลจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าไปอยู่ใกล้กับรูปเสียง ก, กลิ่นรสเดี๋ยวจะถูกมันดูดไปเช่นกำลังฝึกสติ พุโทโธพุโทโธได้สองคำได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงเวาเข้ามาในหูเดี๋ยวพุโทโธหายไปกลายเป็นร้องเพลงไปกับเสียงเพลงนั้นหรือว่าพ อ, เ, อาเห็นเขากินอะไรก็เกิดความอยากกินขึ้นม า, าพุโทโธได้ไม่สองได้สองสามคำก็ไปนั่งกินแล้วผู้ที่จะหาความสุขทางจิตใจ ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่แท้จริงได้นี้จะต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไปความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจะเสียสละได้ก็อยู่ที่กําลังของสติถ้ามีสติมีกําลังมากก็จะสละได้ง่ายเพราะสามารถควบคุมความอยากได้มากความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะไม่มีมาก ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีมากทำให้ไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกว้าเววไม่รู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาผู้ที่ต้องการที่จะหันมาหาความสุขในรูปแบบที่ดีกว่าที่ปลอดภัยกว่าเพราะเป็นความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข์เหมือนสมัยนี้เราอย่านี้พยายามหาผัก ที่ปาดมจากสารพิษกันเพราะเรารู้ว่าผักสมัยนี้มีสารพิษเพราะเขาใช้สารเคมีต่างๆใส่ไปในปุ๋ยบ้างแล้วก็ใส่ไปในยาฉีดฆ่ า, มาแมลงบ้างแล้วมันก็ตกค้างอยู่ในผักผลไม้ที่เราเอามารับประทานกันพอเรารับประทานแล้วถึงแม้จะได้ประโยชน์จากการรับประทานผักผลไม้ แต่เราก็ได้รับโทษตามมาด้วยได้รับโรคมะเร็งโรคอะไรตามมาด้วยเนี่ยนี่ก็คือความสุขที่เราหาแบบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเวลาใดที่เราไม่สามารถหามันได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ใคยไปเที่ยวพอวันไหนไม่ได้เที่ยวจะรู้สึกเงาจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกเศรเ้าขึ้นมาทันทีเคยดูเคยฟังอะไรพอไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะรู้สึกเศร้าขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับผักที่มีสารพิษติดมาความสุขที่เราหากันนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้วยแต่ความสุข ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหากันคือความสุขที่เกิดจากการฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อทําใจให้สงบใ้เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเมื่อเราสามารถมีสติสามารถทําใจให้สงบได้เราก็จะสามารถทําให้มันสงบได้ตลอดเวลาเพราะว่าสตินี้เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้ว มันจะไม่เสื่อมมันไม่หมดสมาธิเราทำแล้วมันก็จะไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับเงินทองไม่เหมือนกับร่างกายเงินทองใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดร่างกายใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายพอเราไม่มีเงินทองพอร่างกายไม่สามารถทำตามที่เราอยากทำได้ ตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนี่เราจึงควรที่จะคิดกันให้ดีว่าอนาคตของเราต่อไปนั้นจะต้องเป็นอย่างไรกันทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่กันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันจะต้องตายกันแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาทุกกับความแก่ไม่ต้องมาทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาทุกกับความตายกัน ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันตั้งแต่บัดนี้เหมือนคนที่เลิกกินผักผลไม้ที่มีสารพิษติดมาต่อไปก็จะไม่มีโรคมะเร็งแต่ถ้ายังกินผักผลไม้ที่มีสารพิษติดมาอยู่เดี๋ยวก็ต้องเป็นโรคมะเร็งกันถ้าไม่อยากจะเป็นโรคมะเร็งกห็หาผักหาผลไม้ที่ปราศจากสารพิษกินแล้วปลอดภยัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเราอยากจะป่าวจากความทุกข์ในอนาคตในยามที่เราแก่ในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่เราจะตายหรือในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากขาดเงินขาดทองไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เงินทองไหลมาเทมาพรุ่งนี้มันอาจจะหยุดไหลมาก็ได้เหมือนน้ำประปาเหมือนไฟฟ้า บางวันมันก็หยุดไปเฉยๆก็มีบางวับางทีน้ำประปาก็ไม่ไหลบางทีไฟก็ไม่มาตอนนั้นวุ่นวายไหมเวลาที่ขาดไฟขาดน้ำกันชั้นใดเวลาขาดเงินขาดทองก็วุ่นวายกันหรือเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปก็วุ่นวายกันแต่ถ้าเราสามารถฝึกสติได้ฝึกสมาธิได้ สามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่วุ่นวายกันเราจะไม่เดือดร้อนกันไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะยังหาสามารถหาความสุขได้แลวก็ยังมีความสุขต่อหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วด้วยเพราะจะทาให้เรา เมื่อเรามีความสุขในใจแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมามีร่างกายอีกต่อไปมีร่างกายนี้มันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณคุณได้นิดเดียวเหมือนกับผักผลไม้เป็นคุณประโยชน์ทำให้เรากินแล้วอิ่มแต่โทษของมันนี้ทำให้เราตายคือเป็นโรคมะเร็งฉันใดถ้าเรายังต้องพึ่งร่างกายอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องตายไปกับร่างกาย เพราะทุกครั้งที่มาเกิดร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปแต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็ไม่ไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่เมื่อเรามีความสุขในตัวเราความสุขใจนี่แหละเป็นความสุขในตัวเราเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งสิ่งต่าง ไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราตอนนี้เราต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ต้องมีแฟนต้องมีเพื่อนต้องมีเงินทองต้องมีข้าวของต่างๆเราถึงจะมีความสุขได้แต่มันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันดีขึนดีมันก็หมดไปได้วันดีขึ้นดีเงินทองก็หมดได้ เข้าของก็หายได้หรือเสียไปใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันเก่าเดี๋ยวมันก็เสียคนที่อยู่กับเราเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายจากเราไปก็ได้นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราหากันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันเหมือนกับคนที่กินผักผลไม้ที่มีสารพิษเขาก็ไม่รู้ว่าเขากาลัง หาโรคเร็งกันถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไม่มีคนที่รู้ความจริงมาบอกก็จะไม่มีการเปลี่ยนวิธีปลูกผักปลูกผ ล, ลไม้กันก็ยังจะปลูกผักปลูกผ ล, ลไม้ด้วยวิธีที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายใช้สารเคมีต่างๆใช้สารพิษต่างๆกําจัดวัชพืชแล ะ, มะแมลงสัตว์ต่างๆ แล้วผลมันก็ส่งมาที่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปพึ่ง เ, เงินทองอย่าไปพึ่งลาบยศสรรเสริญอย่าไปพึ่งคนนั้นคนนี้ให้มาพึ่งสติพึ่งสมาธิดีกว่า อันนี้แหละเป็นสารณ ะ, ะที่พึ่งที่แท้จริงที่เราเรียกว่าธรรมังสารังกระฉามิสติคือธรรมะเนี่ยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นธรรมสามตัวที่จะเป็นที่พึ่งของจิตใจที่จะปกป้องรักษาป้องกันไม่ให้จิตใจมีความทุกข์เลยถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแนละ้วใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขตลอดเวลา แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เพราะจะไม่มีการมาเกิดอีกต่อไปถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่ตราบนั้นยังจะต้องมีความทุกข์อยู่เสมอเพราะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายการมาเกิดก็เพราะว่ายังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขยังพึ่งร่างกาย ยังใช่ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพันธ์นั่นเองแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะเราสามารถที่จะระ ง, งับความอยากเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพันธ์ได้กามตาตนาความอยากเสพรูปเสียงกดลิ่นรสจะถูก สติสมาธิและปัญญาทำลายไปหมดเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็มีความสุขในตัวอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเราจะต้องเป็นกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตามเดี๋ยวถึงเวลาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันด้วยกันทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่สายเกินไป ตอนนี้เราได้มาพบกับหมอวิเศษคือพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรานี้อยู่แบบไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราเปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเราจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุขกันเมื่อเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเราก็จะสามารถ ระ ง, งับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบอย่างถาวรสงบแบบที่ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญามาควบคุมอีกต่อไปสติสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนกับยารักษาโรคยานี้เมื่อรับประทานเข้าไปมันก็จะไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บพอเชื้อโรค ตายไปหมดแล้วก็ไม่ต้องกินยาเมื่อร่างกายหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หยุดยาได้ฉันใดการฝึกสติสมาธิปัญญาก็หยุดได้เมื่อเรากําจัดเชื้อโรคของใจที่ทำให้ใจเราทุกข์คือตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาบยศลรเสริญความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราใช้ศีล ใช้สติสมาธิปัญญากำจัดมันหมดแล้วพอมันหมดแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ใจให้แก่เราอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเราก็อยู่แบบ เ, เหมือนคนธรรมดาเป็นปกติไม่ต้องกินยายากินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ถูกกาจัดไปหมดแล้ว กินเนื้อไม่กินก็เท่ากันเพราะพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้หลังจากที่ท่านกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วท่านก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาปัญญาแต่ท่านเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็เป็นเพื่อการพักผ่อนจิตใจเท่านั้นเองเพราะจิตใจก็เหมือนร่างกายถ้าใช้ความคิดมากๆมันก็เหนื่อยได้ เมื่อเหนื่อยก็ต้องมีการพักบ้างเช่นพระพุทธเจ้าวันหนึ่งแสดงธรรมต้องสามรอบีตอนบ่ายแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุสามเณรตอนดึกแสดงธรรมให้แก่เทวดาเวลาว่างท่านก็ต้องเดินจมกรมหรือพักจิตในสมาธิบ้างแต่ไม่ได้พักเพื่อที่จะมาต่อสู้กับตันหากิเลสแต่อยา่างใด เพราะไม่มีกิเลสตัณหาให้ต่อสู้ให้กำจัดแล้วนั่นเองท่านพักเพื่อพักผ่อนจิตใจของท่านให้สบายเพื่อจะได้มีกำลังที่จะมาแสดงธรรมในวันต่อไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันเป็นพุทธกิจประจำวันมีอยู่ห้าข้อโดการพุทธกิจห้าข้อที่หนึ่งแสดงธรรมตอนบ่ายให้กับญาติโยมข้อที่สองแสดงธรรมในตอนค่ําให้แก่ภิกษุสามเณร ตอนเดึกก็แสดงธรรมให้แก่เทวดาตอนก่อนจะสว่างก็เรงยานดูว่าจะไปแสดงธรรมให้กับใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วข้อที่ห้าก็ออกบิณตบาดโปรดสัตว์อันนี้คือพุทธกิจกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังมีร่างกายก็ต้องบินตบาดต้องนอนหลับพักผ่อนต้องออกกําลังกายเดินจงกรม พระท่านออกกำลังกายด้วยการเดินจงกรมแล้วก็พักผ่อนจิตใจไปในตัวเดินจงกรมก็นงงับความคิดปุ๋มแต่งต่างๆหรือนั่งสมาธิพอจิตหยุดคิดจิตก็จะได้ได้มีเวลาพักพอออกจากสมาธิก็จะมีกำลังที่จะมาใช้จิตในการสั่งสอนสัต์โลกต่อไปอนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่เป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ขอให้เราพยายามตักตวงประโยชน์ของจากจากพจนพุทธศาสนาให้กันได้อย่างเต็มที่ด้วยการทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาพระธรรมคําสอนอย่างสม่ําเสมอแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แล้วประโยชน์สุขต่างๆที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกัปติ อิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรหตุสังกปาจันโทปนาหะโสยทามณิโชติระโสยทาสพสภีติโยวิวหะจันโตสัพพะโรโคววนัสตุ มาเตผวาตวันตารายโสขีทีขายุโกผวะอะพิวาธนาสิลิตะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปเป็นช่วงถามตอบปัญหา ใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปจนกว่าเราจะเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติไม่ให้ถามหลังใหม่ถ้าจะถามถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีพิธีกรอ่านให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 322ยคนครับ y o u t u ร้อย0ี่สิคนครับ วิทยุออนไลน์สามสิบห้าคนครับผู้รับฟังบนเขาสองร้อยเจ็ดสิบแปดคนครับรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคนครับราอาจารสาธุสาธุใครมีคำถามอยากถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไ่ไปให้ถ้าไม่มีก็จะเอาคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนมีคำถามจากบนเขานะคะปัจจุบนันมีผู้บอก บุญทางลายโดยแจ้งเรื่องของวัดที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเรื่องๆไปบางทีก็มีบัญชีวัดให้โอนโดยตรงบางทีก็ให้โอนเข้าบัญชีเขาผู้นั้นและเมื่อเขารวบรวมเงินโอนเข้าบัญชีวัดแล้วก็ส่งสลิปให้ดูหนูไม่รู้จักเขาผู้นั้นโดยตรงแต่เพื่อนที่ชอบปอกบุญส่งลายมาให้อีกที หนูก็ทำไปเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่อินใจเหมือนทำกับพระที่เราศรัทธาหนูจะได้บุญไหมคะและหนูควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะคือการที่เขามาเรียอะไรนี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงทาจริงหรือไม่จริงดังนั้นการทำบุญแบบนี้ผู้ให้นะ่ะได้บุญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะทำให้กับใครเพียงแต่ว่าผู้รับอาจจะไม่ได้รับถ้าผู้ที่มาเรื่อยลายนี้มาหลอกลวงเป็นการมาหาวิทยธรรมาหากินอีกแบบหนึง่งพวกที่ชอบชอบโกงหลอกลวงพวกสิบแปดมงกุฎเนี่ยงั้นถ้าเราไม่รู้จักเราไม่แน่ใจโทรไปถามทางวัดก่อนดีกว่าให้บางทีทางวัดไม่รู้เรื่อง คนก็มาแ อ, แอบอ้างวัดแล้วบัญชีเราก็ไม่รู้ว่าบัญชีมาจากที่ไหนของใครการที่เราไม่ทำบุญตอนที่เข้ามาเรียลลายนี้ไม่เป็นปัญหาไ ม, ไม่ไม่บาปแต่อย่างใดเพราะเราไม่มั่นใจเราซื้อเอาเงินที่เราจะให้เขาไปนี้เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ในบัญชีบุญหรือในกระปุกว่าเงินนี้เราจะทำบุญแต่เราจะไปทำกับสถานที่ที่เราไม่มีความมั่นใจว่า เขาจะได้รับจริงๆอยงั้นไม่ต้องเกงใจไม่ต้องเวลาใครมาเรียลายเงินถ้าเราไม่รู้ว่าจะถูกหลอกหรือไม่ก็อย่าไปทำพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อตามที่เขาพูดให้พิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาอย่าเพิ่งไปทำอะไรตามที่เขาขอ ไม่ไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นการเสียหายแต่อย่างใดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำบุญในวันนั้นเราก็เอาเงินนั้นใส่เข้าไปในกระปุกเรืออะไรที่เราเก็บไว้สำหรับเอาไปทำบุญต่อในอนาคตก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องการเลียนรายนี้อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าไม่ mm hmm. ไม่ไม่ไม่ทรงสอนให้เรี่ยนราย คือบอกบุญได้แต่อย่าไปเรียอะไรขอคือบอกว่าวัดนี้เขากำลังก่อสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์บอกได้เท่านั้นแล้วส่วนผู้ที่จะให้หรือไม่ให้ถ้าเขาจะให้ก็บอกเขาให้ที่วัดโดยตรงดีกว่าเพื่อความบอยสุทใจของผู้ที่มาบอกบุญเพราะผู้ถ้าผู้บริสุทผู้ที่มาบอกบุญบริสุทใจจริงๆเขาไม่อยากจะรับภาระเงินทองของคนที่ฝากไปหรอก เดี๋ยวเกิดหายไปก็ต้องชักกระเป๋าเองหรือถ้าตายไปก่อนที่จะไปถึงวัดก็จะอาจกายเป็นการลักทรัพย์ไปก็ได้ฉะนั้นคนที่มีความบอยสุดใจจริงๆนี้เขาจะไม่รับเงินจากเราเขาบอกไปทำที่วัดเองเพียงแต่มาบอกให้รู้เท่านั้นเองถ้าอยากจะไปทำก็ไปทำที่วัดอา่านี่คือเรื่องการเรียลายหรือการขอ ตามหลักนี้พระพุทธเจ้าสอนถ้าเป็นพระนี่ห้ามขอจากผู้ที่เขาไม่ได้ปะวารณาตัวหรือผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติเช่ mm hmm. นพระอยากจะซ่อมกุฏิไปบอกญาติโยมที่ไม่รู้จักนี่ไม่ได้ mm hmm. ไปขอไม่ได้แต่บอกบุญได้ขอกับบอกบุญนี่ไม่เหมือนกันขอก็คือขอพูดตรงไปตรงมาแล้วขอความช่วยเหลือซ่อมกุฏิให้หน่อยขออย่างนี้ขอไม่ได้ แต่บอกบุญได้บอกว่าตอนนี้กุติหลังคาร่วมาขาดชุนทัพย์บอกแค่นี้แต่ไม่ได้ขอแล้วแต่คนฟังฟังแล้วมีศรัทธาอยากจะทำก็ทำได้ถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ทำก็ไม่เสียหายตรงไหนถ้าไปขอแล้วจะทำให้คนถูกขอนี่เขามีความไม่สบายใจพระขอแล้วไม่ให้จะต้องรู้สึกไม่สบายใจ แต่ถ้าพระไม่ได้ขอเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามีมีปัญหาที่จะต้องแก้แล้วก็ไม่ได้ขอให้มาช่วยแก้ให้เพียงแต่แจ้งให้ทราบบอกบุญนี้เขาเรียกว่าบอกบุญบอกกันแบบนี้ได้อยู่คําถามจากอินบ็อกซ์อุบาสกอุบาสิการ <c oughs> สร้างเหรียญพระพุทธรูปแล้วนําไปขายนําเงินที่ได้ไปถวายพระ เพื่อสร้างโบสถ์จะได้บุญมากน้อยอย่างไรคะคนที่ทําไม่ค่อยได้บุญอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นคนฟักกระเป๋าเองคนที่ฟักกระเป๋าก็คือคนที่ซื้อหรือเช่าเหรียญอะไรต่างๆหล่านี่คนที่ทําก็เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับตัวเร่งทำให้เกิดในการทาบุญก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่ก็ไม่ได้ตามจานวนเงินที่หามาได้ ร่องเงินที่ได้มานี้ไม่ได้เป็นของผู้ที่ทำเหรียญเป็นของผู้ที่บริจาคมางั้นผู้ผู้ที่ทำเหรียญก็ได้แต่เพียงแต่เป็นผู้ที่ทำให้เกิดมีการทำบุญให้แก่วัดเนี่ก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งก็คือการรับใช้หรือช่วยเหลือวัดหาเงินหาทองให้กับวัดแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองไม่ได้เพราะตนเองไม่ได้เสียสละเงินทองแต่อย่างใด คำถามจากบนเขากราบนมัมสการ์ค่ะพระอาจารย์การพิจารณาปัญญาต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่หรือเปล่าคะก็โดยรวมใช่เห็นอะไรก็ให้รู้ว่าเป็นตายรักหมดได้ยินอะไรรู้ว่ามาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากเพราะไปะยึดไปติดไปอยากแล้วเวลาไม่ได้จะทุกข์ใจนี่คือความเรื่องของปัญญาคือป้องกันไม่ให้เราทุกข์ใจกับสิ่งที่มาที่แล้มาสัมผัสรับรู้ถ้าเรารู้เฉยๆเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรารู้แล้วเราอยากอยากได้สิ่งที่เราเห็ น, นเห็นมือถือรุ่นใหม่ออกมาอยากจะได้เพราะพอไม่ได้ก็เสียใจ แต่ถ้ารู้เฉยๆรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปมันอาจถ้าถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่ได้ก็แสดงว่ามันไปถ้าได้ก็ถือว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปเพียงแต่ว่าไปช้าหน่อยมันมาแวะอยู่กับเราชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วของที่เราได้มามันก็ต้องเสียต้องไปอยู่ดีคำถามจากอินบ็กซาบเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะ ต้องมีอะไรก่อนเิริโอตั ป, ปะจึงจะเกิดขึ้นในใจของเราเพื่อให้เราไม่ทำไม่ดีไม่คิดไม่ดีไม่ทำบาปทั้งปวงค่ะก็ต้องมีคนสั่งสอนมีปพระพุทธพระธรรมมาสั่งสอนเราว่าทำแล้วมันไม่ดีไม่ดีอย่างไรทำให้เรากลายเป็นคนน่ารังเกียจคนทำบาปนี้น่าเกลียดไม่สวยงาม คนนี้ไม่ทํำบาปนี้น่ารักใครๆก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราต้องคบกับคนที่รักขโมยกับคนไม่รักขโมยเราจะคบใครถ้ารู้ว่าคนนี้ชอบขโมยของนี่เราจะไม่อยากจะคบกับเขาหรอกไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้สมบัติเข้าของเงินทองของเราเพราะกลัวเขาจะขโมยอันนี้ก็จะหรือว่าถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนก็ต้องคิดเองให้เป็นคิดหรือเห็นโทษ เห็นเผลอไปทำบาปแล้วก็เห็นโทษโทษตามมาพอทำบาปแล้วไม่สบายใจหรือทำบาปแล้วถูกไปจับลงโทษอย่างนี้ก็อาจจะเกิดทีเลโอตาปะขึ้นมาก็เกิดได้สองวิธีคือหนึ่งด้วยด้วยการได้ยินได้ฟังจากผู้ฉลาดผู้ที่รู้เรื่องของบาปว่าไม่ดี คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาลรื่มเรียนที่รู้มาก่อนเราท่านก็นมาสอนเราอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คิดเองคิดว่าอ๋อทำบาปมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะเป็นทำให้คนเกลียดเราเกลียดชังเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นคนที่น่ารักแล้วมีโทษตามมาอาจจะถูกจับไปลงโทษใจก็จะไม่สบาย อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองคิดเอาวิธีที่สามก็คือเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาไปทำบาปแล้วเห็นผลเห็นแล้วไม่สบายใจถูกจับไปลงโทษอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เกิดที่รีโอตปะขึ้นมาคำถามจากบนเขาศีล ส, สมาธิเป็นตัวหนุนให้เกิดปัญญาสมมติว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วต้องเพิ่มศีล สมาธิขึ้นไปอีกปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นตามลําดับขั้นไปเองอัตโนมัติใช่หรือเปล่าคะก็เรียกว่าเป็นระดับแต่ระดับ เ, เหมือนเรียนหนังสือปหนึ่งปสองปสก็มีความรู้ในระดับของแต่ระดับและระดับนั้นก็จะสนับสนุนให้ขึ้นไปสู่ความรู้ระดับที่สูงต่อไปได้ศีนสมาธิปัญญาของคารวะก็จะสนับสนุนให้ไป เป็นศีลสมาธิปัญญาของนักบวชศีลสมาธิปัญญาของนักบวชก็จะสนับสนุนให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันก็จะสนับสนุนให้ไปเป็นพระสกิริดาคามีนันก็สนับสนุนการขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์คำถามจากเฟซบุ๊กคุณสุขใจในธรรม อยากจะขออนุญาตถามเราไม่ได้ไปทำงานสำคัญของพระพุทธศาสนาแต่ว่าปฏิบัติดูจิตใจตัวเองที่บ้านและทำงานไปด้วยอย่างนี้ถือว่าได้บุญใหม่เจ้าคะถ้าทำแล้วใจสงบก็ได้บุญถ้าทำแล้วใจยังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญได้แต่ความเพียรพยายามที่จะทำบุญ เพราะบุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ต้องเกิดความสงบเกิดการดับความทุกข์ถึงจะเรียกว่าเป็นผลขึ้นมาถ้ายังปฏิบัติอยู่ยังไม่สงบยังดับความทุกข์ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นบุญเป็นขั้นของการดำเนินการอยู่เท่เหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปั๊บนี้มันไม่ออกดอกออกผลทันทีก็ต้องดูแลเลี้ยงดูต้นไม้ไป ทดน้ำผลบินไปต่อไปจนกว่ามันจะโตแล้วก็ออกดอกออกผลนั้นถึงจะได้บุญคําถามจากบนเขาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วก็ปล่อยวางปัญญาจะยกระดับขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่หรือเปล่าคะ <c oughs> คือปัญญานี้มีไว้ใช่แก้ปัญหาแต่ละระดับ ปัญหาของพระโสดาบันก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งปัญหาของพระสกิรดาคามีก็อีกระดับหนึ่งก็ต้องใช้ปัญญาที่ต่างกันไปเหมือนกับเรามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตของเรานี่ปัญหาเกี่ยวกับสามีเราก็แก้ด้วยปัญญาอย่างหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับลูกก็เราก็ใช้ปัญญาอย่างหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเงินทองเราก็ใช้ปัญญาอีกอย่าง แต่ละปัญหามันก็ต้องใช้ปัญญาที่ต่างกันไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นไปใจเราถ้ายังทุกข์อยู่กับเรื่องใดอยู่เราก็ต้องหาปัญญามาแก้ความทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองเราก็ต้องแก้ด้วยปัญญาที่เหมาะสมกับปัญหาอันนั้นถ้าไปแก้โดยที่ใช้ปัญญาที่ไม่ถูกมันก็เหมือนกับกินยาผิดลักษณะผิดอาการคือปวดท้องไปหยิบยาแก้ปวดหัวมากิน อาการปวดท้องก็ไม่หายมันต้องเกณฑ์ให้ถูกถูกโ ก, การแก้ปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาที่เหมาะกับโลกนั้นกับปัญหานั้นเอาคำถามสุดท้ายนะเวลาหมดพอดีคำถามจาก f a c e b o o กกราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการทำงานดื่มกับลูกค้านิดหนึ่งไม่เมาในการติดต่องาน นี่ถือว่าผิดศีลข้อห้าใหม่ครับและเราควรจะเลี่ยงอย่างไรดีเพื่อไม่ให้กระทบถึงงานครับผิดเพราะว่าแม้แต่หยดเดียวก็ผิดนะเพียงแต่ว่าผิดมากผิดน้อยเอผิดหยดหนึ่งกับผิดแก้วหนึ่งมันก็ต่างกันผิดขวดหนึ่งก็ยิ่งผิดมากใหญ่เคอมันจะเริ่มจากหยดหนึ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแก้วจากแก้วมันก็จะกลายเป็นขวดต่อไปะ วิธีเลี่ยงก็แบบคนอิสลามไงเขาไม่กินหมูเขาก็บอกเวลาไปกินข้าวบ้านไหนเขาเอาหมูมาให้กินเ็าบอกผมเป็นอิสลามผมกินไม่ได้เราก็เป็นชาวพุทธก็บอกว่าผมดื่มสุราไม่ได้ก็เท่านั้นเองเม้จะเป็นปัญหาอะไรแต่ชาวพุทธเรามันดื่มจนเป็นก็ <c oughs> เลยไม่เชื่อว่า <c oughs> เป็นพุทธจริงหรือพุทธปลอมเขากลัวว่าเราจะไปหลอกไปไปเอาศาสนามาอ้างมากกว่า พ่อพุทธเรานี้ส่วนใหญ่กินเหล้ากันทั้งนั้นออก็เลยพอมาบอกว่าเป็นพุทธนี่เขาก็เลยไม่เชื่ อ, อ, อแต่ถ้าเราเป็นพุทธจริงแล้วเราไม่ไม่ดื่มสุราจริงแล้วก็บอกเข้าไปว่าผมตอนนี้รักษาศีลอยูออ่ผมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราสละทรัพย์เพื่อรักษาธรรมดีกว่าถ้าเราต้องเสียงานนี้ไปก็เสียไปรักษาศีลและธรรมดีกว่า เพราะศีลธรรมจะทำให้เราไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าดื่มสุราแล้วเมาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำบาปต่อถ้าทำบาปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าเราไม่ดื่มสุราเราก็จะไม่เมาเราก็จะควบคุมใจได้ก็จะไม่ไปทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายให้มองถึงผลที่จะตามมาผลที่ระยะสั้นกับผลระยะยาวต่างกัน ถ้าเรารักษาศีลเราอาจจะเสียเงินเสียงานไปก็เสียไปตายไปเงินทองเราก็าไปไม่ได้อยู่ดีแต่ตายไปแล้วอาจจะต้องไปใช้กรรมในบ่ายสู้ยอมเสียเงินดีกว่าให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัต